Mm-hmm. เห็นเข้าไปอีกว่าที่ว่าจิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้อยู่ตรงไหนแน่คำพีวิสุทธิมรักแสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งว่าจิตอาศัยอยู่ในหไทัยรูปหทัยรูปนั้นคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งตั้งอยู่ในซวงอกระหว่างราวนมซึ่งเรียกตามภาษาสามัญว่าหัวใจและบรรยายลักษณะของหทัยรูปไว้มีใจความว่าหาทัยรูปนั้นมีสีแดงเหมือนสีของหลังกลีบดอกบวัวหลวง สันฐานเหมือนดอกบัวหลวงที่ตูมซึ่งแกะกลีบนอกออกเสียแล้ววางเอาปลายดอกห้อยลงข้างล่างผิวนอกของหทไทยรูปเกลี้ยงข้างในเป็นเหมือนข้างในผลบวบขมหาไทยรูปของคนมีปัญญาแยมนิดหน่อยของคนโง่ทึบปิดมิดเลยและว่าข้างในของหะไทยรูปนั้นมีแองขนาดเท่าเม็ดบุนนาควางลงได้ภายในแองนั้น มีน้ำในวงเล็บโลหิตขังอยู่ประมาณกึ่งฝ่ายมือมโนธาตุหรือมโนวิญญาณธาตุในวงเล็บจิตได้อาศัยน้ำที่กล่าวนี้เป็นไปข้อความนี้มีที่น่าสงสัยอยู่คือเรื่องแอ่งน้ำภายในหัทถทรูปซึ่งในภาษาบาลีกำหนดไว้ว่ามีขนาดเท่าเม็ดบุญนาควางลงได้แต่แล้วบอกว่าขังน้ำได้ประมาณกึ่งฝ่ายมือดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะ แอ่งนั้นเล็กแต่จุน้ำได้มากข้าพเจ้าเคยปรึกษาเรื่องนี้กับศัลยแพทย์ดูหมอรับรองว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะน้ำที่อยู่ในร่างกายโดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญเช่นนั้นย่อมอัดตัวแน่นพอผ่าเอาออกมาข้างนอกอาจพองตัวขึ้นได้เหมือนกับอวัยวะในท้องของคนเราถ้าผ่าเอาออกมากองไว้ข้างนอกแล้ว ก็จะดูมากมายไม่น่าเชื่อว่าจะบรรจุอยู่ในท้องคนได้เลยนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวการแพทย์ได้กล่าวถึงอวัยวะต่างๆของมนุษย์เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์และเหลือเชื่อเพียงใดเช่นว่าถ้าเอาหลอดเลือดในร่างกายของมนุษย์คนหนึ่งมาวางทอดต่อกันไปจะได้ความยาวถึงนหนึ่งแไมล์และข้อที่น่าอัศจรรย์อื่นๆอีกมาก เหตุผลของหมอเป็นเครื่องยืนยันว่าสรีระวิทยาสมัยใหม่กับเรื่องพระพุทธศาสนาไปกันได้น้ำหัวใจของคนมีสีต่างๆน้ำกึ่งฝ่ายมือในหัทถรูปซึ่งมโนธาตุอาศัยเป็นไปนั้นมีสีต่างๆกันตามจริตของบุคคล น, นั้นๆดังนี้ 1. ราคะจริตน้ำหัวใจสีแดง สคนโทสะจริตน้ำหัวใจสีดำสามคนโมหะจริตน้ำหัวใจสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ 4. คนวิตกจริตน้ำหัวใจสีเหมือนน้ำเยื่อถั่วพลู 5. คนศรัทธจริตน้ำหัวใจสีเหมือนน้ำดอกกณิกาในวงเล็บจะเป็นกณิกาแห้งหรือสดถ้าไม่ได้กล่าวไว 6. คนพุทธจริตน้ำหัวใจใสแจ๋วบริสุทธิ์มีแววเหมือนแก้วเจรไนเรื่องจิตข้าพเจ้าจะบรรยายพิสดารในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ขอนำมากล่าวแต่พอให้ท่านผู้ฟังนึกเห็นภาพที่อยู่ของจิตเท่านั้นน้ำที่กล่าวนี้เห็นจะตรงกับที่คนทั่วไปชอบพูดว่าน้ำใจ โดยพูดย่อจากคำว่าน้ำหัวใจตามวิธีการทางสมด์คำชนิดนี้มีอยู่มากในภาษาไทยและที่เราว่ากันว่าคนใจดำก็เห็นจะหมายถึงน้ำหัวใจของเขาดำนั่นเองเพราะใจจริงๆไม่มีสีส่วนสีมีอยู่ที่น้ำหัวใจดังกล่าวแล้วแต่ก็เห็นใช้แต่คำว่าใจดำเท่านั้นต่อไปเราใช้คาว่า คนใจแดงดูบ้างก็จะตรงกับตําราดีเหมือนกันและที่ท่านกําหนดสีน้ําหัวใจไว้นี้คือหมายความว่าเป็นสีน้ําหัวใจประจําจริตนั้นๆถ้าใครมีจริตอย่างนั้นแต่อย่างเดียวสีก็คงเป็นไปตามที่กล่าวแล้วดูง่ายแต่ตามปกติคนเราล้วนแต่มีจริตผสมทั้งนั้นคือในคนคนเดียวมีจริตถึง2อถึงสอย่าง เมื่อเป็นเช่นนี้สีของน้ำหัวใจก็คงจะแปรไปเช่นคนมีราคาจริตโทสะจริตโมหะจริตผสมกันน้ำหัวใจก็จะต้องมีสีแดงดำและน้ำล้างเนื้อผสมกันท่านผู้ฟังโปรดนึกผสมเอาเองก็แล้วกันว่าจะเป็นสีอะไรข้าพเจ้าขอย้ำว่าน้ำหัวใจนั้นเป็นเพียงที่อาศัยของจิตไม่ใช่ตัวจิต ถ้าแบ่งอัตภาพออกเป็นกองรูปกองน้ำตามที่กล่าวแล้วน้ำหัวใจก็จัดเข้าในกองรูปส่วนจิตจัดเข้าในกองน้ำทุกวันนี้มีนักคิดออกความเห็นกันว่าจิตคงจะอยู่ที่สมองบ้างอยู่ที่อวัยวะอื่นๆบ้างโดยให้เหตุผลง่ายๆว่าเวลาใช้ความคิดมากๆจะรู้สึกปวดศรีรษะหรือมึอนงงที่ศรีรษะ บางครั้งถึงกับต้องใช้มือเคาะนี้แสดงว่าจิตอยู่ที่สมองความเห็นเช่นนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามีส่วนถูกเหมือนกันแต่จิตอยู่ที่สมองนั้นอยู่ในลักษณะที่เป็นที่ทํางานไม่ใช่อยู่ในลักษณะเป็นที่อยู่ส่วนคทายรูปนั้นเป็นที่อยู่แท้เหมือนอย่างจะมีใครถามท่านว่าท่านสมพานวัดกันมาตุยารามนี้อยู่ที่ไหน ท่านก็จะตอบว่าอยู่ที่วัดกันมาตุยารามถ้าเขาซักเข้าไปอีกว่าที่ว่าอยู่ที่วัดกันมาตุยารามนี้น่ะอยู่ที่ไหนแน่ตอนนี้ท่านจะต้องแยกตอบเช่นว่าเวลาทำอุโบสถสังฆกรรมท่านอยู่ที่โบสถ์เวลาแสดงธรรมเกศสับปะบรุษท่านอยู่ที่ศาลาเวลาสงน้ำท่านก็อยู่ในห้องน้ำและไม่ใช่เพียงเท่านี้ ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านอาจเดินตรวจตราไปปรากฏตัวในทุกซอกทุกมุมภายในวัดแต่ที่อยู่ประจําของท่านจริงๆคือที่กุฏิของท่านเท่านั้นแม้ในกุฏินั้นถ้าจะชี้เอาที่อยู่กันจริงๆก็จะมีเนื้อที่เพียงเท่าร่างกายของท่านเท่านั้นเองเรื่องจิตก็ทํานองนี้ในฐานะที่จิตเป็นราชาครอบครองอาณาจักรคือร่างกายนี้อยู่จิตอาจท่องเที่ยวไปได้ทั่วร่างกาย เพราะไม่มีอะไรจะห้ามกันไม่ให้จิตท่องเที่ยวไปได้แต่การไปปรากฏตัวตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นที่สมองเป็นต้นนั้นเป็นการปรากฏตัวในลักษณะทำงานส่วนที่หัไทยรูปนั้นมีลักษณะเป็นที่อยู่พูดง่ายๆสมองเป็นสำนักงานของจิตส่วนหัไทยรูปเป็นบ้านของจิตเท่านี้ก็เห็นจะยุติกันได้ในเรื่องที่อยู่ของจิต บทที่ 3. งานของจิตงานหลักของจิตจากข้อความที่ข้าพเจ้าแสดงมาแล้วนั้นเป็นอันข้าพเจ้าได้บรรยายถึงเรื่องของจิตเพียงสองประการคือกล่าวถึงลักษณะอาการโดยทั่วไปของจิตและที่อยู่อาศัยของจิตถ้าเป็นการแนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งก็เท่ากับข้าพเจ้าได้แนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้ว่า คนที่ชื่อนายจิตมีรูปร่างหน้าตาเปนาน็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่บ้านเลขที่เท่านั้นถนนนั้นเพียงเท่านี้ยังไม่ได้แนะนำไปถึงว่านายจิตคนนี้มีอาชีพหรือทาการทางานอะไรได้บ้างจึงขอเชิญท่านพิจารณาในเรื่องงานของจิตต่อไปงานของจิตที่เป็นงานหลักมีอยู่สี่อย่างคือ 1. รับในวงเล็บเวทนา2จํจำในวงเล็บสัญญา 3. คิดในวงเล็บสังขาร 4. รู้ในวงเล็บวิญญาณจำง่ายง่ายว่ารับจำคิดรู้เมื่อเราเอามาแจากแจงออกอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าจิตต้องทำงานหนักมากทั้งเป็นงานละเอียดสำคัญสำคัญทั้งนั้นจิตดวงเดียวทำเองเสร็จไม่มีผู้ช่วยเลยด้านของรับกายทำอะไรไป ปาพูดอะไรไปได้ผลอย่างไรสุขหรือทุกข์ความสุขและความทุกข์นั้นก็เข้าไปปรุงแต่งจิตจิตก็เป็นผู้เสวยผลนั่นเองรับผลนั่นเองพูดให้ฟังง่ายๆคือจิตเป็นผู้รับผิดชอบเองอย่างเต็มที่ส่วนกายมีแต่คอยรับใช้คือเป็นแต่ผู้ทําเท่านั้น หาได้รับผิดชอบเต็มที่ในความสุขความทุกข์อันเป็นผลไม่โปรดคิดดูร่างกายเป็นแผลวักใครเป็นผู้ทุกข์ก็จิตเป็นผู้ทุกข์จิตเป็นผู้เจ็บจิตเป็นผู้คิดรักษาจิตตัางหากที่เป็นทุกข์เป็นร้อนกลัวจะเป็นแผลเป็นนิ้วมือให้สวมแหวนนิ้วมือแสดงอาการอย่างไรหรือเปล่าเปล่าเลยจิตเองเป็นผู้คิดว่าโก้ นิ้วมือไม่รู้เรื่องด้วยเลยจิตสั่งให้สวมก็สวมถึงจิตจะไม่ให้สวมนิ้วมือก็ไม่เห็นจะเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรความสุขความทุกข์ที่ท่านจัดไว้อย่างละสองคือกายิกะสุขเจตสิกะสุขและกายิกะทุกข์เจตสิกะทุกข์นั้นเนื่องจากเราแปลกันย่อยๆว่าสุขทางกายสุขทางใจแล้วว่า ทุกทางกายทุกทางใจดังนี้เลยทําให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่ากายก็เสวยสุขเสวยทุก์ต่างหากใจก็เสวยสุขสวยทุกต่างหา ก, ก, ก, ตาหากแต่ความจริงร่างกายหาได้มีส่วนเสวยสุขเสวยทุกข์ตามที่เข้าใจนั้นไม่ลําพังกายไม่รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยเลยสุขทุกขนั้นถ้าจัดตามจํานวนของผู้รับก็จะมีเพียงอย่างละหนึ่งเท่านั้นคือสุขใจทุกใจ ส่วนที่ท่านจัดไว้อย่างละสองนั้นท่านจัดตามทางที่สุขทุกขผ่านมาสับว่ากายกะสุขเจตสิกสุขกายกะทุกขเจตสิกทุกนั้นถ้าเราแปลว่าสุขผ่านมาทางกายสุขผ่านมาทางใจทุกผ่านมาทางกายทุกผ่านมาทางใจคือเติมคาว่าผ่านเข้าไปคำเดียวเท่านั้นก็จะได้ความชัดทั้งทางปริยัต ทั้งทางปฏิบัติรวมความว่าความสุขความทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาการพูดหรือการคิดก็ตามจิตเป็นผู้รับทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการรับจึงเป็นงานของจิตประการหนึ่งด้านจำเรื่องราวทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาถึงจิตจิตก็เป็นผู้จาเองทั้งสิ้นไม่มีใครช่วยจำหรือช่วยเก็บเรื่องราวให้เลย ภาษาไทยภาษาฝรั่งทุกตัวอักษรวิทยาการทั้งหมดซึ่งคิดเป็นเล่มสมุดได้ตั้งร้อยเล่มพันเล่มก็จิต ด, ดวงนี้ดวงเดียวเป็นผู้จาคนรู้จักกันมีเท่าไหร่ทรัพสมบัติมีอะไรบ้างทำอะไรไปแล้วพูดอะไรไปแล้วคิดอะไรไปแล้วก็จิต ด, ดวงนี้ดวงเดียวเป็นผู้จาถ้าความจาของจิตตั้งแต่เกิดจนตาย สามารถอามาช่งเป็นน้ำหนักได้ก็คงจะได้น้ำหนักหลายตันทีเดียวหรือถ้าสามารถอามากองไว้ได้เหมือนหินเหมือนทรายก็คงจะเป็นกองโตกว่าร่างกายหลายเท่าด้านคิดคือคิดปรุงแต่งกิริยาอาการของกายของปากและของจิตนั่นเองคิดไปสั่งการไปลำพังร่างกายถ้าจิตไม่สั่งแล้วจะทำงานเองหาได้ไหม แม้แต่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากอันตรายก็ไม่เป็นถ้าท่านไปเผาศพท่านจะได้เห็นว่าร่างกายซึ่งปราศจากจิตที่กำลังถูกเพลิงไหม้อยู่นั้นได้แสดงอาการช่วยเหลือตัวเองบ้างได้หรือไม่และโปรโดเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นงานของกายทุกอย่างไปหาไม่ได้ แต่หมายความเพียงว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายอันใดเป็นไปตามคำสั่งของจิตความเคลื่อนไหวอันนั้นจึงจัดว่าเป็นงานถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเพเองโดยจิตไม่ได้สั่งนั่นไม่ใช่งานคนพลัดตกจากต้นไม้ลงกระทบพื้นอาการที่ร่างกายเคลื่อนไหวตกลงมานั้นไม่ใช่งานเพราะจิตไม่ได้สั่งให้ตก ส่วนคนที่เสียใจเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอยากตายจึงขึ้นไปบนตึกสูงแล้วกระโดดลงมาอาการที่ร่างกายเคลื่อนไหวตกลงมานี้เป็นงานเพราะจิตสั่งให้ทำในเรื่องของปากก็เหมือนกันคือคำพูดใดเป็นไปในอา น, นัตของจิตคำพูดนั้นจึงเป็นงานถ้าปากพูดไปเองเช่นละเมอจิตไม่ได้สั่งนั่นไม่ใช่งานความจริงการทาและการพูดนั้น จิตทำก่อนกายและก่อนปากเสีย อ, อีกแต่เป็นการทำทางจิตคือคิดเสร็จแล้วจึงสั่งให้กายทำให้ปากพูดถึงข้าพเจ้าปาถกถาอยู่นี้ก็เหมือนกันความจริงจิตข้าพเจ้าเริ่มปาถกถามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วการคิดก็เป็นงานอย่างหนึ่งของจิตด้านรู้จิตก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการรับรู้เรื่องราวต่างๆตลอดวัน เพราะเรื่องที่จิตจะต้องรับรู้มีมากคือรับรู้สิ่งที่ตาเห็นรับรู้เสียงทุกอย่างที่หูได้ยินรับรู้กลิ่นทุกอย่างที่จมูกได้สูดดมรับรู้รสทุกอย่างที่ลิ้นได้ริ้มรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทุกอย่างที่ร่างกายถูกต้องและรับรู้อารมณ์ทุกชนิดที่เกิดกับใจในวันหนึ่งหนึ่งมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ เกิดขึ้นแก่ท่านมากเท่าใดจิตของท่านก็ทางานรู้มากเท่านั้นจิตทำงานทางรู้ตั้งแต่ก่อนที่ร่างกายจะลุกออกจากที่นอนในตอนเช้าและเลิกงานเมื่อหนังตาปิดสนิทแล้วตอนเข้านอนงานหลักของจิตสอย่างคือรับจำคิดรู้ที่กล่าวมานี้ย่อมเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันทั้งสอย่าง ในขณะที่จิตทํางานเหมือนกับเราจุดไฟขึ้นไฟย่อมทํากิจสี่อย่างเกี่ยวเนื่องกันคือทําความร้อนทําแสงสว่างทําลายเชื้อทําลายความมืดฉะนั้นงานดั้งเดิมของจิตเดบรรดา ง, งานหลักของจิตทั้งสอย่างคือรับจําคิดรู้งานแขนงที่สี่คือรู้นี้เป็นงานดั้งเดิมของจิตจิตก็คือาธาตรู้ ข้าพเจ้าขอพูดถึงเรื่องความรู้ของจิตให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาของท่านผู้ฟังรู้ที่ว่านี้ได้ในภาษาบาลีว่ายายาแปลว่ารู้ความรู้ของจิตมีอาการเป็นหลายชั้นหลายชนิดเราได้นําเอาภาษาของจิตมาใช้ทั้งดุ้นก็หลายคําเช่นอนุยาตปฏิญาณนะ ปัญยาสัญยาวินยานะโปรดสังเกตคำว่ายาซึ่งเป็นหลักอยู่ในคำข้างบนนี้นั่นแสดงถึงาธาตุจิตหรือถ้าพูดกันให้ฟังง่ายๆก็ต้องว่ายานั้นคือตัวจิตส่วนคำนำหน้ายาและอักษรตามหลังยานั้นเป็นเครื่องประกอบเพื่อแสดงให้รู้ว่า ขณะนั้นจิตรู้อย่างไรรู้ชนิดไหนคําว่าอนุญาตหมายความว่ารู้ตามแล้วเห็นด้วยไม่คัดค้านเช่นสมมุติว่าผู้อยู่ในปกครองของท่านเสนอใบลาหยุดงานท่านต้องรู้ตามไปกับเขาเท่ากับวันที่เขาลาว่าคงจะไม่เสียหายอย่างนั้นหรือว่าจะดีอย่างนี้แล้วท่านก็เซ็นลงไปว่าอนุญาตแปลว่า จิตของท่านรู้ตามไปกับเขาด้วยแล้วคำว่าปฏิญาณหมายถึงรู้เฉพาะคือรู้เฉพาะอย่างนี้อย่างนี้เช่นรายงานบางเรื่องเขาเป็นแต่เพียงบอกให้ท่านรู้เท่าที่เขารายงานมาเท่านั้นท่านไม่ต้องรู้ตามไปไหนอีกแล้วรู้เฉพาะที่ปรากฏในเรื่องนั้นเท่านั้นรายงานอย่างนี้ท่านก็เซ็นลงไปว่าทราบหรือทราบแล้ว คำว่าทราบนี้ก็แปลออกจากภาษาบาลีว่าปฏิญาในวงเล็บรู้เฉพาะนั่นเองคนที่ไปแสดงความตั้งใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นแสดงต่อพระพุทธปฏิมาว่าจะเลิกดื่มสุราหรือทหารแสดงความตั้งใจว่าจะรักชาติต่อธงชัยเฉลิมพลอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิญาณเพราะเป็นการรู้เฉพาะตนเท่านั้น พระพุทธรูปและธงชัยเฉลิมพลท่านไม่ได้รู้กับเขาด้วยคำว่าปัญญาหมายถึงความรู้ทั่วคือรู้เรื่องทั่วไปของสิ่งนั้นๆเช่นคนมีปัญญาเห็นแก้วใบหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่จะรู้ว่านี่เป็นแก้วเท่านั้นแต่หากรู้เรื่อง ท, ทั่วไปเกี่ยวกับแก้วใบนั้นด้วยเช่นรู้ว่าดีหรือไม่ดีทำมาจากประเทศไหนราคาเท่าไหร่ ใช้การอะไรได้บ้างและมีวิธีระวังรักษาอย่างไรตลอดจนเรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับแก้วใบนั้นรู้ทั่วอย่างนี้เรียกว่าปัญญาคำว่าสัญญาหมายถึงรู้พร้อมรู้ร่วมกันรู้ด้วยกันคนสองคนหรือมากกว่านั้นรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกันเรียกว่าสัญญากันเพราะเป็นความรู้ที่เป็นไปพร้อมกันกับคนอื่น ความรู้แห่งจิตอันเป็นไปพร้อมกับอารมณ์ที่ล่วงแล้วในวงเล็บอติตารมณ์ท่านก็เรียกว่าสัญญาในวงเล็บความจำเพราะความรู้ซึ่งผุดขึ้นใหม่นั้นเป็นไปพร้อมกับความรู้เก่าเช่นเมื่อวานนี้เราเห็นงูชนิดหนึ่งรู้ชื่อว่างูเหา่าครั้นมาวันนี้เราเดินไปเจองูชนิดเดียวกันเราก็รู้ชื่อว่างูเหา่า เพราะความรู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นไปพร้อมกับความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ความรู้ชนิดนี้เรียกว่าสัญญาแปลว่ารู้พร้อมคำว่าวิญญาณหมายถึงรู้แจ้งคือรู้สิ่งนั้นที่จิตเองเช่นรู้รสอาหารเรารู้ที่จิตของเราเองรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้แจ้งสัญญาวิญญาณปัญญา ในคำภีวิสุทธิมักในวงเล็บภาคสหน้าสองท่านในข้อเปรียบเทียบความรู้ทั้งสคือสัญญาวิญญาและปัญญาไว้ว่าถ้าเอาเงินวางไว้ให้คนทั้งสามคนดูคือเด็กคนชาวบ้านและเหรรัญยิกคนสามคนนี้ย่อมรู้จักเงินนั้นไม่เท่ากันเจ้าเด็กก็จะรู้เพียงแต่ว่าวัตถุสิ่งนี้งามรูปยาวหรือสั้นเป็นสี่เหลี่ยมหรือกลมเท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่นั้นมีค่าซื้อของใช้ของกินได้คราวนี้คนชาวบ้านรู้อย่างที่เด็กรู้นั้นด้วยทั้งรู้ว่าเป็นของมีค่าด้วยแต่ก็ไม่รู้คืบไปถึงว่าเป็นเงินเกอหรือเงินดีและเรื่องราวทั่วทั่วไปเกี่ยวกับเงินนั้นก็ไม่รู้ฝ่ายเฮรนยิกรู้ทุกอย่างที่คนทั้งสองนั้นรู้และยังรู้กว้างขวางไปอีกว่า เป็นเงินเกอหรือเงินดีทำมาจากที่ไหนและเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับเงินนั้นก็รู้ด้วยสัญญาเปรียบเหมือนกับการเห็นเงินของเด็กเพราะสัญญารู้แต่เพียงอาการก่อตั้งขึ้นแห่งอารมณ์เป็นต้นว่าพอเห็นสีเขียวก็รู้ว่าสีเขียวเท่านั้นวิญญาณเปรียบเหมือนการเห็นเงินของคนชาวบ้านเพราะวิญญาณรู้ทั้งอาการของอารมณ์ว่า สีเขียวเป็นต้นด้วยรู้ทั้งลักษณะของอารมณ์ด้วยปัญญาเปรียบเหมือนการเห็นเงินของเหรัญิกเพราะปัญญาไม่ใช่จะรู้แต่เพียงอาการและลักษณะของอารมณ์เท่านั้นยังสามารถในวงเล็บยกขึ้นสู่ไตรลักษ์ให้บรรลุมรึกเบื้องสูงขึ้นไปด้วยทั้งนี้ข้าพเจ้าพูดตามในที่ท่านแสดงไว้ในคมภีวิสุทธิมรึกขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาดูเถิด ที่ข้าพเจ้าบรรยายมายืดยาวนี้คือบรรยายถึงรู้อันเป็นงานดั้งเดิมของจิตสายการปฏิบัติงานของจิตดังได้กล่าวมาแล้วว่าจิตมีความรับจําคิดรู้อยู่ในตัวแล้วจิตย่อมทำงานเหล่านี้ได้เสมอโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดเป็นอุปกรณ์คือจิตสามารถรับสุขรับทุกข์เองนึกถึงเรื่องเก่าๆได้เอง คิดอะไรอะไรได้เองและรู้อยู่ในตัวเองจิตทำงานเหล่านี้ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยร่างกายเลยแต่ว่างานที่จิตทำเองอย่างนี้ย่อมรู้ได้เฉพาะตัวคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และจะให้เกิดความสัมพันธ์กับวัตถุภายนอกไม่ได้แต่ถ้าจิตประสงค์จะรู้เรื่องภายนอกจิตก็ใช้อายตนะคือ 1. รับรู้รูปด้วยตา 2. รับรู้เสียงด้วยหู สรับรู้กลิ่นด้วยจมูก 4. รับรู้รสด้วยลิ้น5รับรู้สัมผัสด้วยกาย6รับรู้อารมณ์ด้วยใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6อย่างนี้เรียกว่าอายตนะแปลว่าเครื่องต่อคือต่อระหว่างจิตกับสิ่งภายนอกต่อระหว่างโลกแห่งรูปกับโลกแห่งนามอายตนะเหล่านี้ บางทีก็เรียกว่าอินทรียเพราะแต่ละอย่างต่างก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือตาก็เป็นใหญ่ทางดูหูก็เป็นใหญ่ทางฟังจมูกก็เป็นใหญ่ทางสูดดมกลิ่นลิ้นก็เป็นใหญ่ทางลิ้มรสกายก็เป็นใหญ่ทางสัมผัสใจก็เป็นใหญ่ทางรู้อารมณ์แต่ละอย่างรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเท่านั้นใช้ผิดหน้าที่ไม่ได้ ไม่เชื่อลองใช้ตาชิมแกงดูสิเกิดเรื่องทันทีนี่ว่าถึงการรับเรื่องข้างนอกเข้าไปข้างในคือรับเรื่องจากภายนอกเข้าสู่จิตคราวนี้ว่าถึงการส่งเรื่องข้างในออกไปสู่โลกภายนอกคือถ้าจิตต้องการจะแสดงความประสงค์ของจิตเองให้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งอื่นหรือให้คนอื่นรู้ความมุ่งหมายนั้น จิตก็แสดงออกได้สองทางคือ 1. กระทำด้วยกาย 2. พูดด้วยปากในกรณีพิเศษจิตอาจบังคับกายและปากให้ทำงานผิดหน้าที่ได้บ้างเช่นจะพูดอะไรกลัวคนอื่นได้ยินก็ใช้ขยิบตาสันส่นศีรษะหรืออาการอื่นๆซึ่งเรียกว่าใช้ใบ้แต่การใช้ใบ้นั้นได้ผลน้อยเต็มที เหมือนอย่างข้าพเจ้าแสดงปาฐกถานี้ถ้าขืนแสดงโดยวิธีใช้ใบ้คงไม่มีคนฟังแน่รวมความว่าจิตรับรู้เรื่องภายนอกได้หกทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและจัดแสดงความประสงค์ของจิตเองให้ปรากฏออกไปภายนอกได้สองทางคือการกระทำทางกายและพูดทางปากนี้เป็นสายการปฏิบัติงานของจิต บทที่4จริตคนเราจะคิดอ่านทำงานอย่างไรก็ย่อมแล้วแต่ความชอบใจของผู้นั้นนี้เป็นเรื่องที่เรารู้เห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วจิตก็เหมือนกันเมื่อมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาตกลงใจย่อมตกลงใจหรือตัดสินใจอนุวัตไปตามจริตของจิตนั้นเช่นมีปัญหาเกิดขึ้นว่าวันอาทิตย์นี้จะทำอะไรดี การพิจารณาตกลงใจย่อมไม่เหมือนกันบางคนตัดสินใจไปดูหนังบางคนตัดสินใจไปเที่ยวชมวิวต่างๆบางคนตัดสินใจไปเที่ยวเต้นรําบางคนนอนอ่านหนังสืออยู่กับบ้านและบางท่านก็ตัดสินใจมาฟังปาฐกถาที่นี่การที่จิตของใครจะพิจารณาตกลงและสั่งการอย่างไรย่อมเอียงไปตามจริตของผู้นั้นข้าพเจ้าเห็นว่า เรื่องจริตนี้มีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับจิตอยู่มากผู้ปฏิบัติจิตจะเว้นการศึกษาเรื่องจริตเสียหาควรไม่เพราะฉะนั้นจึงขอพูดถึงเรื่องจริตไวในตอนนี้พอสมควรจริตคืออะไรคำว่าจริตโดยความหมายได้แก่สภาพปกติของจิตที่ว่าปกติคือหมายความว่าเป็นพื้นเดิมยกตัวอย่าง มนุษย์ตามปกติต้องหายใจการหายใจจึงนับว่าเป็นปกติของมนุษย์แม้จะมีการกลั้นลมหายใจก็ทำได้บ้างเป็นบางขณะจะกลั้นตลอดไปไม่ได้เพราะการกลั้นลมหายใจนั้นเป็นการผิดปกติที่ว่าปกติปกตินั้นเป็นอย่างนี้ก็สภาพปกติของจิตนั่นเองที่ท่านเรียกว่าจริตนิสัยอุปนิสัย อธยาัสนอกจากคำว่าจริตแล้วควรเข้าใจคำที่ใกล้เคียงกันอีกสามคำคือคำว่านิสัยอุปนิสัยอธยาศสยคำว่านิสัยหมายถึงความเคยชินซึ่งเกิดจากการกระทำบ่อยๆเช่นโกหกเป็นนิสัยนินทาเป็นนิสัยพูดคำสบทเป็นนิสัยพูดจริงเป็นนิสัยไหว้พระก่อนเข้านอนเป็นนิสัย และอื่นๆคำว่าอุปนิสัยหมายถึงแววของจิตซึ่งเกิดจากการอบรมมาแต่อดีตจิตของใครมีอุปนิสัยทางไหนก็ทำงานทางนั้นได้ดีเช่นมีอุปนิสัยทางดนตรีก็เรียนดนตรีเก่งมีอุปนิสัยทางวาดรูปก็เรียนวาดรูปได้ดีแม้ผู้มีอุปนิสัยในทางอื่นๆถ้าได้ศึกษาอบรมในทางที่ตรงกับอุปนิสัยของตนก็ได้ผลดีเป็นพิเศษ คำว่าอัธยาศัยหมายถึงพื้นเพของจิตเช่นมีอัธยาศัยเยือกเย็นมีอัธยาศัยเห็นแก่ตัวมีอัธยาศัยอบอ้อมอารีและอื่นๆอัธยาศัยนี้เกิดจากการศึกษาอบรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าเข้าใจว่าจริตกับอัธยาศัยเป็นพวกเดียวกัน Thank you.